ยกลุ่้สึกตัวเมื่อลู้สึกตัวมากเข้ามากเข้าพวไม่รู้สึกคล้ายๆเหมือนหนีไปนะสมมุติให้ฟังนะแต่พวกคุณเคยเรียนมามากแล้วมีแก้วน้ําสบายนะแต่เรามองไม่เห็นด้วยสายตานะพรามันมีอะไรในที่นั้นว่ามันว่างพุจจระนี้ถ้าคุณเข้าใจพอเด้อน้ําเทลงไปเนี่ยมันมีอากาศที่ไหนในในตัวกแก้วน้นะํา เทน้ำเข้าไปเทน้ำเข้าไปแล้วอากาศมันอย <ừ. S 1> ่างนี้ครับน้ํานี่มองเห็นครั <ừ. S 1> บมันนี่ควมหลงนี่หมองไม่เห็นคมรู้สึกตัวนี่หมองเห็นครับ <ừ. S 1> เข้าเข้าไปได้ไหมที่มองไม่เห็นก็คือโมหะเรามองไม่เห็นไมยังไงไม่รู้โมหะเนี่ยคมรู้สึกตัวนี่มีรู้จักคดีน้ําเทเข้าไปเทเข้าไปอ า, ากาศมันหมดไปครับ <ừ. S 1> น้ำก็เลยเป็นอยู่แหละอากาศแล้วจะเข้ามาในแรกเข้าไปใน มันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เราทําความรู้สึกตัวเนี่ยรู้จับรู้สึกรู้ตัวทควรไม่รู้มันหายไปไม่รู้เลยมันหายไปเฉยเลยข้อดีมันรู้ยังที้เคลื่อนไหวไปนด้ก็รู้คิดตาก็รู้บหายใจก็รู้ใจมันคิดก็รู้สี่รู้ใช่ไหมสี่รู้แล้วรู้พลิกเคล่อนไหวในรู้คิดตารู้สองรู้เลยนะเนี่ยหายใจรู้ คิดรู้มีจริงไหมมีมีจริงไหมที่พูดมีมีไหริีเออ น, นี่แหละเขาเรียกอะไรอ่ะจัดอ่ะเรี ย, รรยรกจัดเตุสมุทัยได้ร่นมากอันนั้นเป็นคำพูดของคนที่แปลมาจากตัวหนังสือเถิดนี่การแปลหนังสือนี่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เนื้อในใจตควาะเลิกแปลไปไขก็ได้ถูกก็ได้อันนี้มีในคนทุกคนในยุคนี้ผมรู้สึกว่ามีในคนทุกคน หายใจเข้าหายใจออกคิดตาอ้าปากมีในคนวัตถุผลจิตใจที่มันนึกมันคิดมีวัตถุผลนี่ว่าจักจับเดื่องกลิ น, นจริงเมื่อรู้เมื่อรู้อันนี้เราะคล้ายๆไปมันเกิดปัญญาเลยว่า ส, สติสมาธิปัญญา ส, สติเป็นคนแล้วได้สำลานะ ส, สติคนนี้สัมภาชนิยมรู้ตัวสติสมาธิปัญญารอบรู้ปัญญาวัตถุพอเรีรู้อันนี้สมบูรณ์เขรมันรู้จากตัวเอง เมือคนาสาซ่อมตัวเมื่อเขาไม่ทําดีกับเราเลิกเฉยหน้าดาหน้าแดงไปไหนเปอย่างอันนีน้ถ้าเรารู้สึกตัวเราเลยยกมือไหว้เกร็งตัวเราอยู่เสมอตัวรู้ทาเห็นทําเข้าใจครับรู้ทาแบบหลวพ่อพูไม่ใชป็นรู้มากตัวรู้ทำทำัทำ้งนมดทาทําแล้วเนี่ยทําดีแล้วเนี่ยทำชั่วเนี่ยทำชั่วไม่ดีทำชั่ว พูดดีพูดช่วจะพูดคนชื่อเนี่ยพูดถ้าพูดโกงกหลงวมๆพูดชั่วแล้วคิดดีเป็นคิดดีต่อคนรอบตัวคิดตัวเองพิดชจิตร์ไม่เห็นบอกให้ตัวคิดอิจฉาเอาเปรียบสังคมพิจชตร์ไม่เห็นอันนี้ยังหว่าทําบุญในพุทธศาสนาคือทําดีกับตัวเราเมื่อทําดีกับตัวเราแล้วกับเรื่องคนอื่นไม่เป็นปัญหาเพราะเราทําดีแล้วคนอื่นจะว่าเราทําชั่วทำเหลือนของพูดนะมันสมรสพูดจริงๆ ตรงมีส่วนแบ่งคือทำกับปฏิการทสิ่งเจริญปฏิสิทิจะมีส่วนแบ่งแต่ไม่ใช่พระเจ้าแบ่งให้คือให้วิธีไปปฏิบัติจะได้รับส่วนแบ่งจากพราพเจ้าคือส่วนแบ่งไม่ใช่เราจะได้รับ จ, บจากหลวคือจะได้รู้กับวิธีอันนั้นที่พราพุเจ้า ท, ทํานทำมานั้นเป็นวันเมื่อรู้แล้วก็เป็นสาวกได้รับส่วนแบ่งที่ถ้าเราปรารถนาไม่มีทางที่จะได้รับส่วนแบ่งโกรเป็นไหม เป็นครันะเป็นรับแล้วักบาตรกี่คํัเราไมค่อยจตักครับผมไ ม, ไม่ไม่ตักบาตรสักคติดเลยครับแต่มไม่บ่อยแล้วครับเออนึกกระโจนอยู่นะนั่นเนี่ยมันทำบุญไม่จบจุกเคยตักบาตรให้ติ่นโตรับเอเอเนี่ยมันยังไม่ลดได้อันนี้เขาดูเอาให้เฉยๆนะเอาให้เฉยๆแต่ว่าคำคำมือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราท่านนบุญให้ลดวาักบาตรให้ลดภา ท่นสเคยได้ยินไหมเร่อเราไม่รู้คืออะไรวัดคืออะไรไม่รู้วัดเรื่องวัดตัวเราวัดกายวัดใจเฮืสูงตามดำขาวไม่ทางวัดคือวัดวันหนึ่งมาโผล่กี่ครั้งมันชอบกี่ครั้งวัดจริวัดธนี้แทะเงากี่เม็ดห่วงกี่เมตรเรนนี่วัดธนี้เป็นวัดแท้วัดเอะไรก็คืออาจีรังวัดตะยังไกโยทัานสอนอาจีรังวัดตะยังไกโย คือว่าคิดว่าใจเรามักแปล่มันไม่หมักุกมาเพราเราไม่รู้จักสมบุกนี่ะวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้เนี่ยเคยได้ยินไหมไอจีลังวัตยังกโยเนี่ยเด่กเราไม่รู้ใช่ไหมเด็กยังไม่รู้นะได้ยินแต่ไม่รู้รู้แต่คาพูดแตไม่รู้นี่ยอดรู้แต่ไม่รู้เมื่อมาเจริญให้มันเกิดปัญญามีส่วนแบ่งจากพระพุทธเจ้าจะรู้นทีจัหวัดักทั้งไหนจงมีส่วนแบ่งมีส่วนแบ่ง ที่ข้าไปเข้าได้ไประทับลงไปแล้วในบัตรมีมีส่วนเด็ถ้าเราทําตามถ้าเราไม่ทําตามแนี่ไม่เลยว่าคมเป็นพระในจััดมีในคนทุกคนเคยได้อ่านใ น, น ค, บคนบุกอ่อคุณเจ้าเจ้าท่านเนี่ยก็ให้กลวงพ่อมาเล่าเพื่อเป็นพรนะในจังหวัดทุกคนหลวงพ่อเคยพูดอย่างนี้หลวงพ่อลงพเป็นโยมเขา น, นั้นหลวงพ่อเดินจลวงพ่นึกว่าตัวเองเป็นพระในทีจริงพ่อเราโพสาโมหาลภาพมันลดน้อยลงไป เรือว่ามันลุดไปก็ได้คําว่าหลุดกับลบกับที่ว่าเอาส น, นะจิตตั้งมั่นเป็นคำเดียวกัน น, นะเพราะว่าโทสะโมหโลภจะเกิดขึ้นกับเราก็รู้พอที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจแล้วอันนั้นมันเกิดขึ้นไมไ่อย่างที่เราพูดเมื่อกี้นี้เกน้ํนำใน่ขวดเนี่ยเรียวก๊าศมันหนีไปหมดแล้วอากาศจะมาเข้าในน้ํานั้นได้ได้อันนี้เราปล่อยให้น้นานํามันว่างให้ขวดมันว่างไม่ให้อากาศเข้าเลย พอดีมีคนมาพูดไม่ต่อใจพูดกับครอมาเลยเพราะมันไม่มีอันตรายเท่านี้ว่าสติตั้งมั่นหรือไม่วันไหวต่ออารมณ์เพราะว่าพอดีมีอารมณ์มันรู้ทันทีมันไวมันเร็วที่สุดการฝึกสติมันสูงเนพอดีคนพูดอะไรเพิ่มันต่ำเพราะมันถูกนะไม่ใช่มันไม่ถูกมันถูกเลยเราเคยพูดอ่ะไม่ถูกใจเคยพูดไหอ นี่นี่เราพูดผิดมันถูกใจเราเป็นเราไปหาว่ามันไม่ถูกใจคนนั้นพูดไม่ถูกใจคนนี้พูดไม่ถูกใจเราเขาจะโจริงคนนั้นพูดมันถูกใจเรามันจะไปตซ้มโอ้มันถูกใจเราจนแดงขึ้นเหมือนเลยคล้ายๆคนมาตีเราพกปูดผิ์มันถูกเรามันก็เจ็บจิตอันนั้นมันถูกใจเราน้่มาเข้าใจอย่างอันนี้จะแสดงว่าเมื่อเรารู้จักมีสติมีปัญญาแล้วมีคนอื่นมาพูดเรื่องนั้ามันสมมติพูด วันนี้ติเตอร์อะไรดูใจเราวันนี้ก่้งลอยโยดหมายเธอเราไม่เคยมาดูใจกับมันว่าว่าเวคือจะ่าปล่อยให้มันว่างเรือโมคหะผัสสะบ้านเรือโมคหะวันนี้ไปทำบุญก็ต้องอยากได้บุญเหมือนโลภะคือคู่ทําอันใดอันใดทั้งหมดทำอะไรอะไ ร, อะไรทั้งหมดนะคอยากได้อันนี้แสดง ว, ว่าโลภะทาด้วยโลภะทาด้วยโมคหะ ไม่ถูกต้อไมีได้ทุกท้งนบารีทํำยังไงจิงวันไม่ได้ทาด้วยโมหะทำเสแสร้ทสามหน้าที <broccoli Hi courtesy> ่ไม่มีโทษรรไม่มีโลภะไม่มีทาเสแสร้งทำเสไหมทาเพื่อพระทับทำเพื่อพระสงฆทําเพื่อพระฤๅษีหรือทาบูชาพระทำบทําพระสงฆ์ทาบูชาพระแล้วพระธรคืออะไรพกะธทําก็คือคนทุกคนทไในนี้ ทุกคนมันทำเนี่ยถ้าทำสุอคนทุกคนถ้าสงคือทุกคนทําดีเลยถ้าพระเจ้าคือตัวสติปัญญาของทุกคนเดียวทำอบรมหน้าที่กันถ้าคนทุกคนรู้จากการรู้จากงานทําหน้าที่ของตนถูกต้องแล้วบ้างหลวพ่อค่อยสบายโลกไม่จะร่าหรือเตียนที่สิ์หมายถึงคนไม่มี ส, สตินี่เองให้พูดอะไรให้ไม่รู้หรื่รรองเนะครับปุกบฟัดดีใจเสียใจมิเตีทุกข์เทราะนั่นขึ้น มเมตทุกข่านั้นตั้งอยู่มเมตทุกขันดับไปเอาเรืจ้าทันข้อถ้าดีใจก็เป็นทุกข์ยังเสียใจก็เป็นทุกข์ยางเอาเรื่ อ, องกัอนอยังมาทำไส้ทำเพื่อทำเท่านั้นเองไม่ใช่ทําเพื่อเอาในการทำเพื่อเอาเรือทุกข์นั่เอเราต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นตามกฎหมายของเรามันก็ทุกข์ทำอย่างนั้นเมื่อเป็นตามความต้องการของเราแล้วครับดีใจเป็นโลภเหนับจุกอยากให้มันเกิดขึ้นา่อนเพื่อ ทำพูตาอย่างที่พูดแล้วทําแล้วเขาลบตั ว, วยึกมือเรียเห็นว่าเรายึกมือเรียกยึกมือนี่ดีไหมดีทำอย่างนี้ดีไหมไม่แล้วก็เลิกนะนี่เขาลกบผ้าทำคืคเขาลบตัวเองไม่ได้ไปเขาลบผ้าทำที่ไหนหลกงพ่อ ข, ข้อแก่อย่างนั้นไหมจ๊ะว่าอันนี้อาจจะเข้าใจผิด จ, จะพูดถึงห็นสีแ็นแสง เคอเห็นอะไรต่างๆเพรนั้นห ล, ลือรื้ใจคิดนี้เองใจมันหลอกเใจมันลวงเราใจที่มันไวที่สุดนะปต้นออกห ล, ล, ลอกลวงที่ทสุดขับหอกหลอกลวงคิดนั้นคิดนี้เราไม่เคยเห็นคนที่มาเห็นมันหลอกเราไม่ได้เหมือนกับที่ว่ามันจะโกล่เขาเราเห็นว้ามันต่อโกล ไ, ได้ใจมันออก็หลอกเราไม่ได้เราเห็นถาม่มเห็นทำน่แบบนี้ตัวคนคิดนี้เองคนที่มาคิดตุ้อเห็นเลย คิดปุ๊บกินเลยเล็กก็มันหลอกเราไม่ได้เนี่ยทวนกระแสของนามที่เราเคยได้ยินพระเจ้าบอกว่าให้ขันควรกระแสของน้ำหมายถึงทวนกระแสของคิดตออย่าให้มันไหลไปตามมันคิดแลไหลไปน้ำหรืไม่มันไหลไปําพอเดี๋เราคิดปุ๊บเราตับต้นตอมันมันก็ไม่คิดมันก็ไม่ไม่เรีนควรไม่ให้มันไหลไปเมื่อจิตใจของนี่มันไหลไปในข้างต่ำทาอะไรก็ยับแด้เ มิได้ทำอยากได้ทบุญก็ไม่ไม่เอาดอกบุญก็ไม่บุญไปยังปีกิเลสอยู่นะอืบุญก็ไม่เอนอย่งทําเพื่อปูองเคยได้ยินแม่เสียบคำเคยได้ยินว่าแต่เด็กพูดให้ฟั้างกว่จะปูตาพระพุทธเจ้ายุ่งจะทําบุญให้ฐานกับพระพุทธเจ้าญานก็ต า, ามเข้าตอกดอกไม้ทูบเทียนของหอมทั้งหลายลนะต้องเตะขึ้นดินนี่แหละขึ้นถึงอาการิถาผม พระเจ้ากงไม่ซื่อว่าโหตากพระพุทธเจ้าไม่ได้ซื่อว่าทำบุญต่อพระพุเจ้าเลยเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินอ่าในในเราเข้าใจผู้ใดจะบูชาพระเจ้าทำบุญต่อพระเจ้าต้องปฏิบัติธรรมให้รู้ทำเห็นทำสมควรแก่ทำนั่นแหละซื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งนั่นแหละซื่อเป็นการทำบุญต่อพระเจ้าอย่างยิ่งใช่ไหมโดยดเนี่ยเราไม่รู้จักเห็นธรรมนั่นเป็นเห็นสิ่งที่ไม่ไม่สนตัวเราเลย นกับผิดไปเดี๋ยวเห็นทำนี่ครูสาวพระริจาเลยเห็นทำริงจริงไม่เนี่ยเห็นหม ย, ยังยังยังไม่เห็นที่ติดเลยะครับเห็นตั้งติดเห็นทำแล้วทำพระริจาวพระริจาะทํ า, า, ทาอย่างไงคือให้คุณทําอย่างนี้เนี่ยกําลังคุณเห็นมือคุณยกขึ้นไห ม, มแล้วใจค<ม>ุณในสติพวกกระดัสสติก็ได้แต่ว่าให้คุณเห็นไม่ต้องพูดเรื่องสติเดีนเน๋ยวนี้พูดภาษาบ้านเราเรากำลังยกมือกันนใจเราดีไหม ขงใจเราดีกเขาลบพระธรรมแล้วเนี่ยพระพเจ้าคือพระธรรมเนยกำลังทำอยู่เนี่ยนี่นี่เขาลบพระพิจาภูษาพระพเจ้ า, า, ารค์ลเลยเป็นการกูสาอย่างยิง่งคนอื่นจะพูดให้เราทำไม่ดีเนะี่ยเ็เรื่องเขาพูดแล้วเราทำดีได้ยังไงยัง่งคำยองก็ดีคำตำหนิก็ดีเป็นเพียงสมมติตัวจริงธรรมะคือตัวทุกคนนั่นเองถ้าไปโกรธคนนั้นแต่โกรธคนนี้ไปโกรธธรรมะก็จะเห็นธรรมะได้มาเห็นธรรมะไม่ได้ เราผูทธรรมะแล้วไม่ได้วันนี้เราไปปูซาคนอื่นแล้วไม่ได้ปูซาตัวเราแล้วก็ไม่ได้ดปูซาพระพุทธเจ้าแล้มันก็จะมีกิเลสเนใจคืออย่างว่าเราทำดีเท่ากันให้กิเลสนี่คืออยากจะให้ลูกไม่เดือดร้อ น, นอะไรเงี้ยเออไปถึงไปเกรี่ยไปถึงเรื่องข้างหน้าอนาคตเลยมัน <c oughs> เกิดกเลสถึงแม้ว่าจะจะดเกจซื่อจะเมตตาลูเก็ต้งใช้เรืร่องถูกแต่กิเลสมึง อ, อยู่ที่ว่าเราต้องการไหมเขาเดือดร้อนเมื่อเรา ตายไปได้ไรอย่างนี้นะพ่อเอาไว้ก่อนตอนกิเลสมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอันนั้นนะตัวกิเลสอันนั้นมันไม่มีคุณไปสร้างมันขึ้นมาเองยังไปสร้างมันขึ้นมาเราสร้างเขาเกิดเป็นคนมาแล้วให้เขาได้อยู่ดีกินดีให้ของของเราได้แล้วถึงเขาจะเรียนดีเรียนไม่ดีก่อนเ่ากเน้นหนักเขาท่านีน้ถ้ามันจะเรียนไม่ดีแล้วการสนับสนุนมันมันยิ่งไม่เอาเลย นยิ่งไม่เอาโอ้ทำเพื่อนาไเกินไปเนี่ยครับคุณถ้าคนจะเอาแล้วคุณแน่นอนมันเอาเลยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้จะงหวให้ผมเลี้ยงบถ้าไปบังคับมันจริงๆแล้วมันไม่เอาเลยมันไม่เอาเราก็เป็นทุกข์เลยนี่ยมีคนคนหนึ่งมาที่นี่มีลูกชายสองคนลุกผู้หิงสามค น, าาคนมาที่นี่อะ่ะลูกคู้ายนั้นอายุสิบห้าปีคนเล็กคนโตดูอายุสิบแปดจุดเก้าปีเนี่ย เดือดเป็นลูกกูแต่คนเลี้ยนี่ไม่เอาเดือดออกนอกบ้านอย่างเดียดออกน้องมานเลยวกให้เรียนไม่เดือดคบตั้งแต่ว่าพวกเที่ยวเล่นเตไปนะยชอบชอบคบเพื่อนทั้งเรียนงเลยห้ามมันไม่ฟังถ้ามมันมากเกิดไปแล้วราออกนองบ้านพ้อดีออกนองบ้านเรากทุกบเลยมันนี่ยอย่าไปบังคับเดือดไปจะบังคับโคสอนในทางคิดคุณต้องการมันไม่พอใจเรียนอะไรเลยมันไม่พอใจเรียนอย่างนี้มันอยากเรียนอะไรชอบอะไรนี่ต้องถ ชอบก็ามาขอท็อปฝุกกำลังแบกวนดิ๊ดเิ๊ดดิ๊ดดิเอดิ๊ดกิ๊ดดิอดดิัดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดชอบดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดา๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดยิ๊ดดิ๊ดยา๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ด่ิาดาอาาอ ด, ด อ, ด อ, อ, อ, อ, อ, อ๊ดดิ๊ีดิ๊ดดิ๊ดาิ๊ดดิ๊ดดิเดด ต้องเรียนกระทรต่างประเทศแทนกระทรต่างประเทศแล้วก็ต้อ ง, องคุณก็ต้องพยายามพูดกับคุณต่างประเทศให้รู้ภาษาเป็นไหมเออเนี่ยถ้าไม่รู้ภาษาต่างประเทศทํางานต่างประเทศไม่ได้เป็นไหมเออเนี่ยต้องระวังนใจมันเขาเองมันไปเองแต่ว่าลูกคนรวยคนจนเขาตา่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพื่องราวกกุ่มันขึ้นอยู่กับผลของลูกคนรวยรวยจนก็มีนะบ้านหลวงพ่อเคยเรียนนะ ลูกคนจนๆเนี่ยดีก็มีเปีออยงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยกับเงื่อนไขจากผดังนั้นกาจะเอสิงอยู่ตามถนนคนทางก็ไม่มีจะอยู่ในผลอยู่ในผูกคนทีเดียวไม่ใช่อยู่ตามถนนหนทางอย่างที่พัฒสลุกออกสร้างเอาไวาตาานนา้ตามถนนตามโูตามป่านั้นทนํนทำให้เศรฐษฐกิจหมดเส้นเปลืองเมื่อเศรฐษฐกิจเร้่มหมดไปก็เดือดร้อนเหล่าพราะว่าต้นไม้ภูเขาที่ในคนบักปักันไปหมดแล้ว เพราหาเงินนะั่นแะคนเรามเป็นทาดของเงินอยู่แล้วเมื่อเราไปสร้างสมบูรณอย่างนั้นขึ้นมาคนมันต้องการบุญอยูแล้ ว, วย้อนสอนเรื่องบุญเนี่ยบุญแปลว่าดีใจใจดีวันนี้ใจที่เก็ติดพระเจ้าเนี่ยเป็นพาะแล้วนี่ยเห็นถ้าใจมราเป็นพาะต้องใจดีพอที่ใจดีนะทําให้มันหมดสิ่งที่สัวร้ายออกไปหมดเราต้องดูใจในขณะในี้ใจเราดีไหมใครมาถามแล้วมันเป็นอย่างนี้ มั น, นเปนอย่างนี้ตลอดมานะับเกิดมาแนละ้วมันเป็นอย่างนี้จะมาสอนของที่มีจริงอยู่ไม่ใช่สอนของที่ไม่มีแนละที่คูดเนี่ยของอันนี้มันมีถึงจะรู้ก็มีอย่างนี้ไม่รู้ก็มีอยู่อย่างนี้อย่างนั้นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าดั้มันมีมา ก, ก่อนพระพุทธเจ้าเคยได้ยินไหมครัะพุทธเจ้าเป็นคนแรกคนพบขึ้นมาแล้วก็มาสอนพวกเร า, าธรรมะที่มีแล้วไม่ใช่มาไปหาของไม่มีวันนี้เราไป ไปหาของที่ไม่มีมันมนก็เลยมี ม, ม, ย ม, ม, มันมันยุ่งอย่างนี้เื่องจากตื่นมุกเตศรนี่ไม่ใช่สอนให้เชื่อถือนะนี่ให้พวกคุณเอาไปพิจารณาอย่างเชื่อใคเชื่อตัวพวกคุณเองจะมาเื่อหวงพ่พิจารณาตัวพวกคุณเองจะ่าพิจารณาหลวงพ่อถ้ามาเชื่อคนหลวงพ่อแล้วก็ผิดมาพิจารณาตัวหลวงพอแล้วก็ผิดก็ไม่ได้พิจารณาตัวเองเพราะไม่ได้เชื่ อ, อคกามสามารถของตัวเองตัวเองมีทุกอยู่แล้วจะไปตำหนิคนนั้นว่า เ, เป็นอย่นี้มันนิดแล้วดืมตัแล้ว ดังนั้นนะครับผเรียนชาวเดียวกันยาเสื้อถือโดยเขาพูดตามยาเสื้อถือเห็นว่าเขาพูดกันเล่าเลย่กันมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วยาเสื้อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตารายาเสื้อถือเป็นการดวงดาวนึกคิดเอาเองสิบข้อกําังมาพูดสิบข้อที่สุดบ่อยยาเสื้อถือให้เราฟังูเป็นอาประจำตัวทําให้เพื่อถือ ให้เสื้อถือที่ตัเนสื้อถือจบการกระทำแล้วลงไปแล้วมันไม่เดือดร้อนให้เสื้อถือยี่ตัเนี้ยศรัทธาเสื้อสิ่งที่คนศรัทธาเสื้อที่ตัเนี้ยเสื้อบนที่ว่าเรารู้เราเห็นเรากข้าใจทำลงไปแล้วมั่นใจไม่เดือดร้อนขัางตัวเองและคนที่ศรัทธาเสืไปแท้อย่างที่เราศรัทธาเสื้ออย่างที่ทําบุญเนี่ยดีอันนี้ดีไม่ใช่ไม่ดี จนั่นจะเป็นการอนุเคราะห์หพออยากให้พระสงฆ์องเจ้าก็เป็นอนุเคราะห์หลวงพ่ออยากให้คนตามต้าตาหาคาก็เป็นการนุเคราะห์หลวงพ่อให้พ่อให้แม่เราก็เป็นการนุเคราะห์หลวงพ่อคือพระในเกี่ยวเก่ับผู้สอเป็นผู้เสียสลาไม่ได้เสียสละเงินทองอะไรมากเสียสละเวลาเสียสละในการพูดเสียสลากในการแนะนําถ้าหากเสียสละเงินทองมากๆก็เราก็ยิ่งหายิ่งหายตัวไปใส่ในทางที่ผิดเราก็ทก ระดัาเข้ามาเราให้รู้จักว่าเสื้อสิ่งที่สวเสื้อแล้วกับใส่เงินใส่ทองใส่สิ่งที่มันสมควรอย่าไปใสสิ่งที่ไม่จําเป็นคนโดยมากมันใส่สิ่งที่ไม่จําเป็นมากเราเข้าใจว่าจะให้เลิกล้างกิเลสมันจะเลิกล้างกิเลสได้ทําไงทําไงเนี่ยไปบํารุงกิเลสอยู่เสมอเนี่ยอันนี้แหล็กกิเลสมันไม่มีเราก็บํารงมันขึ้นมันสร้างมันเพิ่มเดี๋ยวนี้เนี่ยคิดยังไงอะไรเดี๋ยวนี้ เรื่องนี้เป็นตัวท่านอยากจะให้ภรรยาสบายต่อเรียนนี่น้ำเลือดเป็นองค์สนตัวน้อยกว่าหนุ่มอะไรในขณะนั่งอยู่เีนนี่เนี่ยค่ะคิดถึงภรรยาคุณนะคิดถึงโลกมากกว่านีจะไปคิดถึงเขาในเรียเนี้ให้คิดถึงคุณดูใจคุณนะอย่าไปคิดถึงเขาแต่วดานั้นเพาว่าเอาไว้เฉพาดูใจเราที่หลพบอพูดอยู่นี่นะรู้เข้าใจไหมเข้าใจไหม ดูใจเราเลิกฟังคำพูดของหลวงพ่อบ้างฟังหลวงพ่อคนก็ดูใจบ้างเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยถ้าคุณเอาไปคิดต้องเจนเรื่องรูปเรื่องนี้ย่ะลืมโตไปอีกแล้วลืมดูจิตดูใจไปอีกแล้วนะจดูใจเราบ้าเดินไปที่ไหนดูใจเราบ้างฟังเทศฟังธรรมดูใจเราบ้างไม่ใช่ฟังอาบุญ น, นะที่มาพูดกับหลวงพ่อและหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยไม่ได้ได้อะไรได้เพียงแนวมคิด ได้เพียงแนปัญญาฟังดีแต่ไม่ถูกภาษฟังดียอมได้ปัญญาฟังไม่ดีไม่ได้ปัญญาครับนะเออไม่ใช่พูดภาษาบาลีพูดภาษาคนไทยโดยเฉพาะคั น, นยัว่าเราฟังแล้วหลวงพอให้ดูใจเราใจเรามีต้นมีโตไห ม, มไม่มีแกมันคิดขึ้นรู้ไหมรู้นี่อันใดรู้โตคนรู้หรือว่าอะไรรู้ไม่ต้องไปพันธนามานที่ว่าสติกัไ็ไหน ว่าสมาธิก็ได้ว่าเร่องของคมรู้สึกมีแล้วแต่คมไม่รู้สึกไม่มีเราเปซ้องหาความไม่รู้มีไหมไม่มีเลยเปซ้องหาความหลงมีไหมไม่มีเลยมีแต่ความรู้สึกนี่เองพระพรเจ้าอจึงสอนให้รู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นกจท่านสอนให้เรารู้ถ้าเราไม่รู้อันนี้เราเราก็หลงตัวไปเราภาษาธรรมเดียวโมคค่ะภาษาบาลีวันหลงตัวลืมตัวเนอันนี้